วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่มกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิษัตผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อนำจิตใจให้ไปสู่ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงธรรมะที่จะเอามาฝากท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็มีหัวข้อว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่หายากสี่ประการด้วยกันมีสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่หายากมากสี่อย่างด้วยกันถ้าใครหาสิ่งทั้งสี่อย่างนี้ได้ก็เท่ากับได้เครื่องมือที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่ การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพาไปสู่มรรคผลนิพพานตามลำดับอย่างแน่นอนสิ่งที่4ี่สี่สิ่งที่หายากนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากข้อที่สองการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ก็เป็นของที่ยากและมีค่าอย่างยิ่งข้อที่สามสิ่งที่หายากก็คือการดำรงชีวิตยอยู่ให้อยู่ไปจนครบอายุไขก็เป็นของยากและสี่การมีเวลาให้กับการศึกษาและปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่หาได้ยากสิ่งที่มีคุณค่ามากถ้าใครก็ตามถ้าสามารถมีทั้งสี่อย่างนี้ได้ครบถ้วนก็จะถือว่าจะมีโอกาสที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นขอให้พวกเรามาพิจารณาดูว่าพวกเรามีสิ่งัง สิ่งที่หายากทั้งสี่อย่างนี้มากน้อยเพียงไรอย่างไรข้อที่หนึ่งพวกเราคงไม่ปฏิเสธกันว่าพวกเราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของยากกว่าการไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาลเพราะว่าจํานวนของสัตว์ในราชาล น, นี้มีมากกว่าจํานวนของมนุษย์การที่จะ มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ต้องมีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่หรือมีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์มีจํานวนน้อยลูกที่จะเกิดจากพ่อแม่ก็ต้องมีจํานวนน้อยไปถ้ามีดวงวิญญาณที่มารอรับร่างกายของมนุษย์นี้มากกว่าร่างกายของมนุษย์ที่กาลังผลิตยอยู่ในขณะนี้ ดวงวิญญาณนั้นก็ต้องรอคิวไปไม่รู้จะจะรอไปได้นานเท่าไหร่จนกว่าจะถึงโอกาสของตนที่จะได้ร่างกายมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเช่นถ้าเราตายไปแล้วนี่เราไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใดเราต้องไปรับผลบุญ เราลับผลบาปก่อนจนกว่าการรมที่เราได้สร้างไว้หมดไปบุญด้วยบาปที่สร้างไว้มันมันหมดกําลังคืออยู่ในสภาพที่บุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่ได้มากกว่าบุญช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ดวงวิญญาณจะได้มาเรารับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของมนุษย์ ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่นี้มีมากน้อยเพียงไรแล้วจํานวนของดวงวิญญาณที่มารอรับร่างของมนุษย์นี้มีมากน้อยเพียงไรก็จะทําให้เห็นว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงไม่ใช่เป็นของง่ายเลยอาจจะต้องใช้เวลาอันยาวนานก่อนจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง นี่คือความยากของการได้มาเกิดเป็นมน is the first, the ุษย mm ์ข hmm. like ้อที่สองการยากของการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์การเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ยิ่งยากกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เพรหนึ่งต้องเกิดการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนและเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีบารมีต้องเป็นพระโพธิสัตว์ ที่จะสามารถบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆเพื่อให้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นานๆถึงจะมีบุคคลที่มีบรารมีพร้อมที่จะมาตัดสรุปแบบเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกูมานไม่ใช่ทุกล้านปีไม่ใช่ทุกแสนล้านปีแต่ยาวนานกว่านั้นมากโบราณเขาใช้คำว่ากับว่ากัน ถึงถ้าเราเปรียบเทียบในสมัยนี้ก็อาจจะเอาหนึ่งแสนล้านปีมาคูณกับหนึ่งแสนล้านปีก็อาจจะได้หนึ่งกับ uh huh. แล้วก็อาจจะได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นแสนกับน uh huh. การเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายแะถ้ามาถ้ามาถ้าเป็น ถ, ถ้ามาเกิดในมนุษย์ แต่ไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาที่มีพระรันตนใจมีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสารวอกเป็นตัวแทนก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยอันนี้คือข้ อ, ขอที่สอง พวกเราตอนนี้ได้ข้อที่หนึ่งแล้วคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ได้มาจะเจอเ ก, กับพระพุทธศาสนาเป็นข้อที่สองถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เรามาเกิดเป็นเดรัจฉานมาเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขถึงแม้จะมาอยู่วัดพวกนกพวกแมวพวกสุนัขที่อยู่วัด น, นี้เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเขาจะฟังธรรมไม่รู้เรื่อง เขามีไม่มีระดับสติปัญญาของเขาสูงพอที่จะมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนาเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่<ม>พวกเรานี้ถือว่าโชคดีพวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์<ม>แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตาม แต่ก็มีผู้ที่ทำหน้าที่แทน พ, พระพุทธเจ้าอยู่สองสองท่านด้วยกันคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าก่อนจะจากโวกนี้ไปก็บอกกับพวกเราไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากปราปาศจากาศาสดาเธอจะไม่อยู่ปราศจากครูอาจารย์ เพราะว่าศาสดาที่จะเป็นศาสดาแทนพวกเธอต่อไปก็คือสวากขาตูภควตาธรรมโมทมที่ตัดไว้ชอบแล้วทมที่ได้สอนไว้ตรงกับหลักความจริงทุกประการที่ได้มีการจดจำถ่ายทอดและบันทึกไว้ในหนังสือพระคำพีที่ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก นันหละถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเราก็ไปเรียนรู้จากพระไตรปิฎกได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากเราไปก็จากแต่เพียงร่างกายเท่านั้นเองแต่ประเด็นตัวสำคัญของพระพุทธเจ้าคือความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ท่านทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้ในรูปแบบของพระคมภีพระไตรปิฎกถ้าใครอยากจะศึกษาและปฏิบัติถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ ก็ยังสามารถใช้พระไตรปิฎกนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้แล้วตัวแทนองค์ที่สองก็คือพระอริยสงสาวุพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนได้บดรรลุมรรคผลนิพพานในแต่ละท่านท่านก็สามารถเป็นผู้ที่จะเอาความรู้อันประเสริฐที่จะนำให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันตอนนี้เรายังมีอยู่ในโในพระพุทธศาสนาเรายังมีพระคมพีพระไตปิโดกอยู่เรายังมีพระสุ ป, ปัติปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่คอยให้คำสั่งคำสอนแก่พวกเราชี้ทางไปสู่พระนิพพานให้กับพวกเราอยู่พวกเราจึงยังถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้า เราไม่ได้พบกับพระสารีล่พะพระร่างกายของพระองค์แต่ความรู้ของพระองค์นี้เราได้พบอย่างแน่นอนถ้าเราสนใจที่จะศึกษาดังนั้นเราได้สองข้อใหญ่แล้วเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ข้อที่สามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากก็คือ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นของยากการจะอยู่ได้แต่ละวันนี้ก็เป็นของยากเพราะว่าไม่รู้จะจะตายเมื่อไหร่เพราะมีภัยต่างๆรอบด้านนอกจากภัยจากการที่ร่างกายจะต้องมีปัจจัยสีไว้เลี้ยงดูแล้วถ้าขาดปัจจัยสีก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ นอกจากนั้นยังมีภัยอย่างอื่นภัยทางธรรมชาติภัยทางาทางโรคภัยไข้เจ็บภัยทางอุบัติภัยต่างๆภัยจากสัตว์ ร, ร้ายคนดุละคนคนหรือสัตว์ ร, ร้ายที่จะคอยจ้องคอยทำร้ายร่างกายชีวิตของกันและกันาการดำรงชีพ ให้อยู่ไปจนถึงครบอายุไขอย่างน้อยแปดสิบปีนี่ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายบางคนเกิดมาเพียงวันเดียวก็ตายแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้แค่เดือนเดียวก็ตายบางคนก็อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ตายบางคนก็อยู่ได้แค่ห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมีคนตายทุกอายุเลยก็ว่าได้ ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะอยู่ไปจนครบอายุขัยทุกคนคนที่อยู่ครบอายุขัยได้นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนที่ได้สิ่งที่หายากก็คือการมีชีวิตอยู่ให้ครบอายุขยเพราะว่าถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ตายไปซสียก่อน mm hmm. ก่อนที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการมาเกิดเป็นมนุษย์จากการได้พบกับพระพุทธศาสนาเช mm hmm. ่นคนที่เกิดมาแล้ววันหนึ่งก็ตายไปหรืออาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่ง mm hmm. พวกเด็กๆนี้ mm hmm. เขายังไม่โตพอที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนได้ mm hmm. ต้องรองให้โตขึ้นไป รู้รู้เรียงสาแล้วถึงจะเริ่มค่อยได้ศึกษาได้เข้าเข้าใจธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่า<ม>นี่ก็เป็นของยากข้อที่สามคือการดำรงชีพให้อยู่ไปจนครบอายุขยของตนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ไปครบน้อยน้อยคนที่จะอยู่ครบแล้วอยู่เกิน ส่วนใหญ่ก็มักจะตายก่อนว้อันควร น, นี่ก็คือของยากข้อที่สามอันนี้พวกเรามีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเรายังเรายังมีของยากอยู่กับเราคือมีชีวิตที่เราจะสามารถเอาชีวิตนี้มาทำคุณทาประโยชน์มาศึกษามาปฏิบัติทำเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้อยู่ ก็มาก็อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํากันก็มาอยู่ที่ข้อที่สี่คือการมีเวลาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นของยากเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราเกิดมาแล้วก็มักจะมีความผูกพันไปกับการสแสวงหาโลกกระทหาความสุขทางโลกกันหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภชนิดต่างๆ ยังทำให้แทบจะไม่มีเวลามาเข้าวัดได้เลยมาศึกษาธรรมทั้งทงที่ประเทศไทยนี้เป็นเมืองพุทธแต่ที่เป็นพุทธแท้จริงๆนี้แทบจะนับได้เลยว่ามีกี่คนพุทธแท้ก็คือต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องทาหน้าที่ของชาวพุทธก็คือต้องศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วนำมาคาสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติ ก็ให้บรรลุมรควนที่ผ่านขึ้นมาอันนี้นะ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธแท้ส่วนใหญ่จะเป็นพุทธในทะเบียนบ้านเป็นพุทธในบัตรประชาชนเป็นพุทธเพราะว่าเกิดในมุงพุทธพ่อแม่นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์บาทีปีหอนอาจจะเข้าวัดสักครั้งหนึ่งเช่นวันสําคัญสําคัญเช่นวันปีใหม่เป็นต้น วันสิ้นปีก็อาจจะมาสวดมนต์ข้ามปีกันสักครั้งปีหนึ่งมาสวดมนต์กันสักคืนหนึ่งเช้าก็ใส่บาตรวันวันวันปีใหม่ก็ใส่บาตรกันสักครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละที่จะมาเข้าวัดกันหรือนอกนั้นก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆาวันวิสาขะวันอาสาห่าวันเข้าพรรษาเป็นต้นก็จะเข้าเพียงแต่วันสำคัญสำคัญนั้น แล้วก็ไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบก็มาเพียงแต่ใส่บาตรหรือบางทีบางคนไม่ได้ใส่บาตรเพียงแต่มากาพระในในพระพระประธานในโบสถ์แล้วก็หยอดหยอดเงินบริจากครันั้นก็ถือว่าเสร็จวิธีของการเป็นชาวพุทธถ้าทาเพียงเท่านี้ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างสมบูรณ์ ยังจะไม่สามารถรับคุณรับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่กอยังจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์หน้าที่ของชาวพุทธนั่นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติอะไรบ้าง เพื่อให้ใจบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าไปถามคนที่เป็นพุท ด, ดูอาจจะไม่ได้รู้คำตอบนี้เสียด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าสอนอะไรมากมเพื่อที่จะได้เอานำมาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดุดพ้นจากการทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษามาผู้ที่มีความสนใจมาศึกษามาฟังเทศอยู่บ่อย หนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างก็มีสามหัวข้อใหญ่ๆคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจนี่แหละคือคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่มาตัดสัลุล้วมาประกาศพระาศาสนาเผยแผ่ธรรมะให้กับสารโลกนี้และสอนธรรมะทั้งสามข้อนี้ด้วยการทุกองค์ไม่ยกเว้นเหมือนกันหมดทุกองเพราะว่าวิธีที่จะพาให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกได้นี้ต้องอาศัยการปฏิบัติทำสามข้อนี้ท่านั้นเองอนี่ก็คือ ถ้าอยากจะเป็นพุทธแท้ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนต้องศึกษาให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างบาปเป็นอะไรบุญเป็นอะไรความดีเป็นอะไรกิเลสตัณหาเป็นอะไรการซักพอก่อกิเลสตัณหาซักพ่ออย่างไรไม่ใช่ไปซื้อเครื่องซักผ้ามาซักพอก่อคิดว่าศาสนาพุทธสอนให้ซักพอก่อ็เลยไปซื้อเครื่องซักพ่อมาติดไว้ในบ้านกิเลสนี้ยมันไม่ มันไม่เหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ต้องใช้เครื่องซักผ้าแต่เครื่องซักผ้าของกิเลสนี้ของใจนี้ก็คือการบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่อ่า น, นี่คือเรื่องของการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ถึงแม้จะเป็นชาวพุทธก็ตาม แต่ถ้าไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้คือชาวพุทธที่ไม่ได้มีทำไม่ได้ทาหน้าที่ของตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการมาเป็นพุทธศาสนิกชนการการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำาเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติก็มาถึงถึงข้อยากข้อที่สี่ที่หายากที่มีคุณค่ามาก ก็คือการมีเวลาให้กับการศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่มีมีคนสักกี่คนที่จะมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นอย่างที่เป็นแบบนักบวชนี่มีน้อยมากนักบวชในพระพุทธศาสนานในประเทศไทยมีกี่มีไม่กี่แสนไม่มีไม่กี่แสนรูปแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกรูปที่มาบวชนี้จะศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น คก็ตัดไปได้เดยอะบางทีมาบวชแล้วก็มาทำอาชีพเป็นอาชีพไปก็มีอาชีพบุญบางสังสว่วนนี่มารับคอยมาเลอคอยนั่งรับกินนิมนต์คนนั้นมานิมนต์ไปทาบุญบุญบางบุญก็คือการทำบุญ น, นิมนต์ขึ้นไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดทำบุญอะไรก็แล้วแต่นิมนต์ไปฉันไปสวดที่บ้านนี่ทำงานบุญ แล้วก็งานบังสกุลบุญบงังบังก็บังสกุลเวลาครบรอบคนของคนตายของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นิมนต์พระไปชักผ้าบังสกุลหรือมาที่วัดมามานิมนต์พระมาชักผ้าบังสกุลให้ก็ะจะได้อุทิศบุญให้กั บ, บิดามารดาบุญบงังแล้วก็มาสังสังก็คืออะไรสังก็คือสังฆทานเน่ ย, ายญาติโยมอยากจะทำบุญ ก็จะมาวัดกันมานิ ม, มนต์พระมารับสังฆทานกันแล้วข้อที่สี่บุญบางสังส่วนแล้วนิ ม, มนต์ไปสวดนีส่สวดงานศพเป็นส่วนใหญ่สวดมาติกาเวลามีงานศพกันอย่างเช่นพระพัน์ปีหลวงนี่ก็มีการสวดให้ทุกคืนนิ ม, มนต์พระไปนั่งสวดอภิธรรมกันนี่คืออาชีพของพระส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ ไม่ได้เป็นอาชีพหรือไม่ได้เป็นงานหน้าที่ที่พทะเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเลยแต่มันก็เป็นเรื่องการตกกระไดพลอยโจรศาสนาก็มีการพัฒนาวิวัฒนาเปลี่ยนไปตามตามตามกระแสของสังคมสังคมตอนนี้ครอบงํากระแสของพระพุทธาศาสนาดึงให้ให้ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้แทบจะไม่มีเวลาให้กับการศึกษาและปฏิบัติ เราต้องมาทำตามกระแสของโลกมาทำหน้าที่บุญบังสังสว่วนมีน้อยจะมีจำนวนน้อยมากที่ที่หลบหนีกระแสนี้ด้วยการไปไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขากันที่เราเรียกว่ า, าพระป่ า, าพระเขานี่ตรงนี้แหละท่านเป็นพวกที่หนีกระแสของโลกหนีกระแสของบุญบังสังสว่วนถ้าเราไปทำบุญที่วัดป่านี้จะไม่มีการ รับกิจนิมนต์ไม่มีสังฆทานบุญบางสังส่วนไม่มีการสวดอะไรทั้งสิ้นมีแต่การศึกษามีแต่การปฏิบัติถ้ามีพิธีก็มีพิธีแค่บิณฑบาตเลี้ยงชีพเท่านั้นเพราะเป็นกิจที่จาเป็นที่สำคัญต้องทำหรือรับรับของถวายที่ศาลารับเพียงครั้งเดียวในแต่ละวันก็พอไม่ได้เปิดวัดให้รับทั้งวันทั้งคืนใครอยากจะเข้าวัดมาถวาย สังฆทานเมื่อไหร่ก็สามารถเข้ามาได้ในที่วัดป่านี้เขาไม่มีประเพณีแบบนี้เขาเปิดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นช่วงที่หลังจากพระกลับมาจากบินสบายใครใส่บาตรไม่ทนันอยากจะมาถวายอาหารที่ศาลาก็ยังมาได้อยู่ในช่วงที่ช่วงช่วงก่อนที่พระจะฉันแต่พอท่านฉันเสร็จท่านเก็บบวตรถูศาลาเรียบร้อยท่านก็แยกตัวกันไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่าน ไม่นามานั่งอยู่แถวศาลาแถวโบสถ์แถวเจดีมารอรับพุธสังฆทานจากญาติโยมนี่คือเวลาที่จะมีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นของง่ายแม้ได้มาบวชเป็นพระแล้วก็ตามก็ยังไม่ได้ไม่มีไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเพราะถุกกระแสของโลกของสังคมนี้ดึงไปทำตามความตามกระแสของโลก โลกนิยมทำบุญบางสังส่วนกันถ้าพระมาบวชแล้วไม่ทำบุญบางสังส่วนก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของพระไปสิอีกเนี่เป็นความเข้าใจผิดของโลกความเข้าใจผิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนว่าหน้าที่ของพระที่แท้จริงคืออะไรหน้าที่จริงแท้จริงของพระก็คือการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วหลังจากที่บรรลุมากผลนิพพานแล้วก็ทำหน้าที่เอาธรรมะที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สาธุชนต่อไปเท่านั้นเองดังนั้นการที่จะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นของง่ายมีสักขีคนที่จะสามารถสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางโลกเพื่อมาอยู่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างอย่างจริงจังคือมามาบวช แล้ก็ไม่ได้มาบวชแบบบุญบางสังส่วนบวชแบบปฏิบัติบวชแบบกรรมฐานปฏิบัติจิตตภาวนาปฏิบัติทุดงกรรมฐานอันนี้แหละเป็นแกนหรือเป็นเนื้อหาสาระของการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติทุดงกรรมฐานกรรมฐานพระทุดงกรรมฐานอันนี้แหละเป็นเป็นการปฏิบัติของ ศาสนาที่แท้จริงไม่ได้มาปฏิบัติพวกบุญบางสังส่วนต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่หายากที่จะเกิดขึ้นในยากข้อที่สคือคนส่วนใหญ่นี้ถูกกระแสของโลกกระแสของโลกกระทคือกระแสของราบยศสรรเสริญดูดไปหมดทุกคนเกิดมาก็มุ่งไปสู่การหาราบยศสรรเสริญสุดกัน ยังไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพระของชาวพุทธได้อย่างแท้จริงมาได้ก็เฉพาะช่วงวันสำคัญสคัญอย่างที่ได้ได้เกิดเอาไว้วันปีใหม่เนี่ยช่วงวันปีใหม่เนี้ก็เข้าวัดกันสักครั้งหนึง่งวันสิ้นปีก็สวดมนต์ข้ามปีกันสักคืนหนึง่งท่านั้นแล้วก็วันมาฆ่าวันวิสาขาวันอะไรท่านั้นเองมาก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไร แต่ได้ทําบุญแล้วก็กลับบ้านได้กราบพระจุดทูบเทียนสามดอก mm hmm. ถือว่าทําหน้าที่ของชาวพุทธแล้วแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้ไปนิพพานกัน mm hmm. อธิษฐานไปนจะมันตายก็ไม่ได้ไปเพราะการอธิษฐานแบบนี้มันไม่ไปไม่ได้ถ้าถ้าอยากจะให้อธิษฐานไปนิพพานต้องอธิษฐานว่าจ้างขอขออธิษฐานให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน mm hmm. อันนี้ต้อง ต้ออธิษฐานแบบนี้อธิษฐานที่เหตุไม่ใช่แบบอธิษฐานที่ผลผลไม่มันไม่เกิดขึ้นเองมันเกิดที่เหตุเราต้องมาสร้างเหตุกันถ้าเราสร้างเหตุแล้วผลมันจะตามมาเองอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งปฏิบัติธรรมจิตตภาวนาไปจนกว่าใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปจนกว่ากิเลสตัณหา โมหะอาวิชชาได้ถูกทำลายให้หมดสิ้นไปจากใจถึงจะลุกจากที่นั่งอันนั้นไปถ้ายังไม่บรรลุจะยอมตายร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่การภาวนาไปจะไม่ทิ้งการภาวนาไปอันนี้แหละคือการการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องต้องตั้งที่เหตุตั้งตั้งว่าเราจะหาเวลามาให้กับการศึกษามากับการปฏิบัติธรรมให้ได้ พรานี่เราได้ของยากสามอย่างแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ดำร ง, งชีพยอยู่จนได้ถึงบัดนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่เหลือข้อที่สี่นั้นที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่พระนิพพานได้ก็คือการให้เวลากับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองอันนี้เราต้องบังคับใจเราแล้วล่ะ มันไม่จะไม่มาเองเพราะกระแสของโลกกระแสของกิเลสมันจะดึงเราไปทางโลกกรรมมันจะดึงเราให้ไปหาราบยศเสริญสุขถ้าเราต้องการไปนิพพานเราต้องดึงมันออกมาจากกระแสนี้ให้ได้โดยการเห็นให้เห็นว่ากระแสของโลกกรรมคือราบยศเสริญสุขนี้เป็นกระแสที่นําพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องดึงใจออกจาก กระแสของโลกให้ได้ด้วยการบังคับให้มาวัดให้ได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องไปวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติไม่ใช่ไปวัดที่มีแต่การทํากิจอย่างอื่นบุญบางสังสว่วนนี่แหละคือสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันถ้าใครสามารถมีครบทั้งสี่ประการแล้วก็รับประกรันได้ว่าจะต้องได้พระนิพพานไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนพระภิกษุในสติปัฏฐานสูตรว่าถ้าเธอได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระสูตรนี้แล้วเธอจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือคำรับรองของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราต้องทำทำเหตุคือการศึกษาและการปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเ น, นื่องที่เรียกว่าเป็นปฏิปัน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนนั่นเองถึงจะสามารถเข้าถึงกระแสของมรรคผลนิพพานได้นี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่หายากสี่ประการที่มีคุณค่าอย่างมากที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงทําให้เพียงเท่านี้เพราะอีกสามสิบนาทีโดยประมาณต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกัน เราต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้ละการกระทำบาปแล้วก็รักษาศีลไปตักศึกษาให้เราทาบุญแล้วก็ถวายทานไปศึกษาท่านสอนให้เราภาวนาซักเค้าจิตใจด้วยการ น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาอันนี้เราจะมาเจริญสมาธิมานั่งสมาธิเจริญสมาธิทำใจให้สงบกันก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาต่อไป ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อทําจิตใจให้สงบคําว่าสมาธิก็คือความสงบความนิ่งของใจการพักการทํางานของใจใจของเราตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยพักเลยมีแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตลอดเวลายังไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดความสงบว่าเป็นอย่างไรเลยตอนนี้เราจะมาหยุดการกระทําของใจเพื่อให้ใจได้เข้าพบกับความสุขที่ เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางโลกธรรมทั้ง4หรือเป็นความสุขที่เหนือกว่าราบยศฉลเสริญสุขถ้าเราได้พบกวับความสงบความสุขอันนี้แล้วเราก็จะสามารถตัดความตัดกระแส ข, ของโลกธรรมที่ดึงเราไปได้การนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นการนั่งวิปัสสนาไม่ใช่เป็นการเจริญปัญญาเป็นการทำใจให้นิ่งให้สงบ เราไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิน้นต้องการหยุดความคิดเท่านั้นเองถ้าใจหยุดความคิดได้ใจนิง่งแล้วใจก็จะมีความสุขมีความสบายขึ้นมาการที่จะทำใจให้นิง่งให้สงบให้สบายต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับกับความคิดต่างๆด้วยการผูกใจไว้กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะผูกใจไม่ให้ไปกับความคิดต่างๆ เพื่อที่ใจจะได้นิ่งใจจะได้สงบได้อารมณ์ก็มีต้องสี่สิชนิดด้วยกันรกรรมฐานนี้มี40่สิบแต่ที่เราใช้กันทั่วไปทางสายวัดป่านี้ก็มีการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่ความพอใจ หรือว่าถ้ายังนั่งดูลมไม่ได้นั่งบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดมนต์ไปให้ใจเบาให้ใจสงบลงก่อนแล้วค่อยมาดูลมโดยค่อยมาบริกรรมพุทโธต่อแต่ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่าปล่อยให้ไปตามอะไรที่เข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามรูปรูปภาพปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องตามรู อาการของร่างกายที่อาจจะเข้ามาก็อย่าไปสนใจเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้อะไรก็ตามอย่าไปสนใจให้ถูกใจไว้กับกรรมฐานถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบถ้าสามารถถูกใจด้วยสติให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเ น, นื่องหนาทีสินาทีนี้ใจก็นิ่งใจก็สงบได้แต่ถ้าถูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไม่ได้ต่อเ น, นื่องได้สองสามวินาทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวว่ากลับมา อยู่กับกรรมฐานอีกสองสามวินาทีถ้านั่งสลับกันแบบนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้สงบนี้ต้องให้ปลูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าไปเลือกเอากรรมฐานไหนที่เราที่เราชอบที่เราเคยได้ผลดีที่ไม่ได้อยู่ในในที่ได้แสดงในที่นี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เพราะกรรมฐานม่อยู่40สิชนิดด้วยกัน มารณนานนวดสติก็ได้แล้วเลิกถึงความตายก็ได้บางคนเลิกถึงความตายแล้วใจก็นิ่งใจก็สงบได้แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมว่าคนจะใช้กรรมฐานแบบไหน น, นี่คือวิธีการนั่งไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรต้องการความว่างต้องการความนิ่งต้องการให้ใจหยุดคิดให้ใจมีความสุขจากความสงบ น, นี้เท่านั้นแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกัน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 อยาไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบมันต้องนั่งแบบวันนี้ถึงย่ยจะสงบถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยต้องเหมือนจเจริญสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันเลยโดยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจไม่ว่าจะทาอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทธโธพุทธโธคอยสกัดกั้นความคิดไว้ แล้วเดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิก็จะสงบได้แล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุปปักปติอจิตังปธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนาราโสยถามม่โชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมัเตภวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสะนิจจังวุถาปะจายโน จตารโหทัมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอาจจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบ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 วิทยุออนไลน์เก้าครับเฮาสองนากุติหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองรวมทั้งหมดแปดร้อยหกสิบอ็ดท่านค่ะอันนี้ไม่ญาติโยมมาถามอันนี้กล้าถามเลยกล้าจ้ะค่ะกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะหนูคุยกับเพื่อนๆนะคะเรื่องความเจ็บป่วย ในตอนเราอายุมากๆแล้วก็โกรคร้ายแรงโรคเรื้อรังต่างๆที่มันจะรักษาไม่หายแล้วมันจะทำให้กายทรมานนะคะก็มี <Okay. S 2> เพื่อนๆนกายไม่ทรมานใจทรมานใจทรมานก็มีเพื่อนเพ่อบางคนของหนูค่ะก็บอกว่ า, าถ้ามันทรมานมากๆอ่ะเขาจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไป ให้คุณหมอ ม, มากินยาค่าป่ว ก, กหนูก็ตกใจเป็นกังวลว่าเพื่อนรักของเราเคือถ้าในทางหลกักพุทธศาสนาเนี่ยมันถือเป็นการคอมมิชซูดไซไหมคะพราาอะอาจารย์วิจารณิสิเป็นการทำบาปฆ่าตัวตายฆ่าคนหนึ่งกับฆ่าตัวตายฆ่าฆ่าตัวเราก็เหมือนกันไม่ต้องฆ่าตัวตายอนี้มันก็ตาย ความเจ็บนี้มันมันไม่ได้ทรมานหร์เราไปอยากจะให้มันหายเจ็บกันฮะที่สร้างความทรมานให้กับจิตใจถ้าเราหยุดความอยากที่เดดตัวนี้ได้นะก็ทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปความอยากมันก็ไม่ทํางานพอความอยากมันไม่ทํางานความทรมานก็ไม่เกิดร่างกายมันก็ไม่ทรมาน์ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเจ็บร่างกายมันก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยเอาของไปตั้งไว้กี่ปีกี่อะไรมันก็ไม่รู้สึกมันเจ็บร่างกายคือกระดูกอ กล้มเนื้ อ, อต่างๆมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็แสดงไปตามธรรมชาติของมันใจก็ไม่ได้เจ็บแต่ใจไม่ชอบความเจ็บทั้งนั้นตัวนี้ยที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมารให้กับใจแล้วก็ไม่ได้กรรมเปการแก้ปัญหาฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่ก็เจอปัญหาเดิมอีกก็ต้องฆ่าตัวตายห้าร้อชาตินะ่ะแต่ถ้าฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเฉยๆอยู่กับความเจ็บไปได้ก็แก้ปัญหาได้ต่อไปกลับมาเกิดกี่เพรกี่ชาติก็ไม่ ไม่ไม่ทรมานกับความเจ็บเพราะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บเพราะฉะนั้นนะอันนี้ยังมีเวลาเรียบฝึกซะฝึกจิตนั่งสมาธิอย่างที่เรามานั่งกันเนี่ยนั่งแล้วมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็เฉยๆไปแล้วดูลมไปอยู่กับกรรมฐานไปทํำบ่อยๆมันก็จะชินแล้วมันก็จะปล่อยวางมันจะอยู่กับความเจ็บได้โดยไม่ทรมานเข้าใจไหม เพื่อนเราไม่ได้คิดเหมือนเราก็ไม่เคยเข้าทำไม่เ ค, เคยศึกษาธรรมเหมอือนเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาวิธีทําการบัญชีก็ทําบัญชีไม่เป็นต้องไ่ศึกษาดูจิตจะไปเหมือนวิชาอย่างหนึง่งที่เราสามารถศึกษาและปฏิบัติและทําได้เกิดประโยชน์จากการศึกษาได้ทีเพียงแต่ว่าเรามันถูกกิเลสบันหอกให้เราไปหาวิธีอื่นแก้ ซึ่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้กับเป็นวิธีสร้างปัญหาให้มากขึ้นต่อไปหนูก็ได้แต่ทวงติ่งใบนิดนึงค่ะว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปพิจารณาเองกันหรอกันตลอราก็ไม่ไม่ได้จะชีวิตใครชีวิตมันใช่ไหมถ้าเขาไม่ปรึกษาเราเราก็พูดอะไรไม่ได้ถ้าว่าปรึกษาเราอย่างหลวงตามหาบัว ก, ก็มีศิษย์คนหนึงที่เป็นโรคมะเร็งคุณเภาวพงา เธอก็เคยปฏิบัติทรมาอยู่พอพอสมควรแต่รู้ว่ายัางไม่เข้มข้นพอก็เลยขออนุญาตไปอยู่ที่วัดป่าบรนตายอยู่ประมาณสี่เดือนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็สามารถปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ไม่ทรมานดังนั้นไปทางธรรมดีกว่าทางธรรมเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องทางอนืนนีเป็นวิธีสร้างปัญหาขึ้นมาไม่รู้จักจ บ, จบจากสิน้น ค่ำถามจะพูดรับฟังทางบ้านค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดสินใจจะพูดจะทำอะไรสักอย่างโดยที่เรายังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันมาจากกิเลสสั่งทำให้ทำ ทำให้ตามความอยากอยากให้เป็นดังใจอยากเอาชนะเพราะใจมันไม่ได้กระเพิ่มไหวมันนิ่งแต่ยังไม่แน่ใจว่านิ่งเพราะกิเลสหรอกหรือนิ่งจริงๆเราก็หยุดสิ่งที่เราจะพูดจะทาไว้ก่อนรอให้แน่ใจว่าไม่ทำตามกิเลสค่อยตัดสินแบบนี้ทำถูกต้องไหมเจ้าคะถูกแล้วถ้าไม่มั่นใจทำไปก็ผิดแต่ว่าจะไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสก็ผิดเพราะทำไปแบบไม่มีความ มั่นใจทำแบบคนตาบอดทำไม่ควรทำอะไรที่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกอย่างไรคำถามจากทางยูทู u ด e ดกตอร์ค่ะขณะที่ทำอนาปนาสติแล้วเวทนามันเกิดปวดขามากๆควรพิจารณาอย่างไรคะถ้าดูลมต่อไปได้ก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอาการเจ็บถ้าไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนมาใช้คาบริกรรมจ ะ, จะดีกว่า ใช้คำบาลีกรรมแล่วสวดอะไรไปก็ได้อย่าให้ใจไปสนใจกับอาการเจ็บก็แล้วกันดึงใจให้มาอยู่กับการสวดมนต์ก็ได้กับคำบาลีกรรมที่ยาวๆหน่อยก็ได้พุทธโทธตัมโมสังโกอนนี้จังทุกขังมะนั้นตาเนี่ยท่องวนไปให้มันเพลินอยู่กับการสวดแล้วอาการเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนใจคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้ง การเมืองรุนแรงมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จเต็มไปหมดการอธิบายเรื่องจริงบางอย่างให้คนใกล้ตัวฟังบางครั้งก็มีความขัดใจกันแต่ถ้าไม่พูดคุยอธิบายกันเขาก็จะหลงเข้าใจผิดไปใหญ่อยากขอคำแนะนำเรื่องการวางจิตวางใจในสถานการณ์แบบนี้ด้วยครับก็ดูว่าเขายินดีที่จะฟังหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เขายอมเป็นคนหุนหนกวกันเาพูดไปเขาก็ไม่ได้ยิน เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะเวลาออกจากสมาธิจิตใจยังสงบนิ่งอยู่บางครั้งอยู่นานมากครับทีนี้ผมมีความสงสัยกับตัวเองว่าจิตใจผมสงบหลังจากออกสมาธิจริงหรือผมติดนิวรห้าตัว ถ, ถีนถีนมิทะ ที่จิตซึมเศร้าและอยากสอบถามว่าเราจะแยกอย่างไรว่าจิตเราสงบหรือซึมเศร้าครับเบิกบานหรือไม่เบิกบาน <c oughs> ถ้าไม่เบิกบานก็ซึมเศรา้า <c oughs> ถ้าเบิกบานก็ไม่ซึมเศรา้าคําถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะผมดูลมหายใจที่ปลายจมูกบางทีก็ไม่ชัดเจนและบางทีก็ไปชัดที่ข้างในจมูกซ้ายขวาแบบนี้ผมสามารถ ดูลมตรงข้างในจมูกได้ไหมครับได้แต่ห้อยมันอยู่ที่จุดเดียวอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเท่านอนคืนละสี่ถึงห้าชั่วโมงจะผลจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่เจ้าคะเพราะว่าทางการแพทย์บอกว่าคนเราควรนอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อคืนถึงจะพักผ่อนซ้ำแซมร่างกายโดยอัตโนมัติ ถ้าที่ท่านปฏิบัติท่านก็อยู่ได้ถึงกว่าตั้งสิบเก้าสิบปีร้อยปีไม่มีปัญหาเลยให้ฟังแพทย์พทยอยู่ถึงแปดสิบกึเปล่า <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติภาวนานั้นมาถูกทางตามแนวคำสอนเพื่อไม่ให้เราหลงหรือเข้าใจไปเองคะ พอมีตัวชีวัดตัวใดบ้างคะโรคน้อยลงโกรธน้อยลงใจเย็นขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นเดี น, นี้มีคำถามจากทาวพระจําเช์ใช่เชญค่ะอยากถามพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติแบบการมาสุขาริการนุโยกกับอัตถส สุขขาวิกรรมมนุโยกอะค่ะที่เป็นทั้งสุดทา ง, ง, ง, งสุดโตง่งอะค่ะสมมติว่าถ้าเราไม่ไม่หัดที่จะงดอาหารไม่หัดที่จ ะ, ะ, ะการมาสุก้วถ้าไม่ถือศีลแปล ก, ก็ถือว่ากามมศุกอยู่เลรวค่ะถ้าท ร, รมานก็คื อ, อของแล้วคมมาทิ่มมาแทงตามร่างกายต่างๆ ค่ะแล้วการปฏิบัติแบบไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นการเสริมความเพียรไม่ใช่เป็นการทรมานอ๋อค่ะมันชอบขี้เกียจชอบนอนก็เลยแก้มันด้วยการไม่นอนอ๋อต้องต้องรู้มันก<อ>่อนเหรอคะใช่ใชมันชอบกินก็ลดอาหารการกินอดอาหารตั้งสองสามวันอะไรไม่ได้อดไปตลอดแล้วไม่ได้อดเฉยเฉยอดเพื่อมาภาวนาอ๋อค่ะเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระภิกษุ บ, บางท่านบางรูปอะค่ ะ, ะท่านกล่าวว่าเอ่อพวกนี้มันเป็น ทางสุดโต่งค่ะ ม, มันไม่รู้เรื่องไลมันก็พูดไปตามมาแล้วมันต้องกินชันเพนด้วย<อ>แล้ว<ะ>บายๆก็ยังมีน้ำปานนกปานนาอีกมันไม่รู้เรื่องของพวกนีไ้ไปฟังครูบาอาจารย์ดีกว่าท่านไม่เคยพูดอย่างนี้หรอกท่านกับเชียร์สามวันหยุดสามวันหยุดหวันหยุดเก้าวันวนี่เอาเลยช่วยให้กิเลสหายหมดเลยกิเลสมุ่งนอนก็หายกิเลสขี้เกียจ ก, ก็หาย ถ้าอดอาหารได้แล้วอดอาหารเพื่อภาวนาไม่ได้อดอาหารเพื่อให้เอาชนะกิเลสถ้าอดเฉยๆเพื่ชนะกิเลสชนะไม่ได้หรอกเราอดเพื่อภาวนาเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสอีกทีนอืมค่ะถ้าเรามันอยู่เฉยๆสบายๆก็ขี้เกียจนอนดีกว่าถ้าไม่หิวมันก็นอนดีกว่าแต่ถ้าหิวมันก็นอนไม่หลับอลอก็ต้องเพื่อเมาภาวนาโอค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเค อีกหลายๆคำถามด้วยกันถมไื่ได้เลยค่ะพระอาจารย์คะยมได้ฟังค่ะทะี่มีเหมือนพุทธประวัติเรื่องหนึ่งอะคะ่ะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีผู้หญิงอะคะ่ะท่านหนึ่งสูญเสียทุกอย่างเลยลูกสามีครอบครัวแล้วก็ถึงขั้นที่สติแตกแล้วไป ได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เรียกสตินั้นคืนมาเป็นไปได้ไหมคะอเป็นไปได้ก็นิทานที่มีแม่คนหนึงเสียลูกมีลูกทารกเกิดมาใหม่ก็ตายไปเธอก็ไม่อยากจะเอาไปฝังไปเผาเอาเก็บไว้ในบ้านนั่งก่อนนอนก่อนลูกชาวบ้านเห็นข้าก็าสงสารก็เลยบอกเธอไปหารพระเจ้าสิพระเจ้าจะช่วยเธอได้เธอก็เลยดีใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยให้ให้ลูกของเธอหายะ พอไปหาพระเจ้าว่าท่านช่วยหน่อยจะได้ข่าวว่าท่านช่วยหนูได้ช่วยทาให้ลูกของหนูฟื้นได้ใช่ไหมพระเจ้าองง่ายมากเอาอย่างี้เธอต้องไปหาเมล็ดงา ม, มาสักกํามือหนึ่งจากบ้านแต่บ้านที่ไปขอต้องบ้านที่ไม่มีคนตายนะถ้าบ้านไหนมีคนตายเอาเมล็ดเมล็ดงา ม, มาใช้ไม่ได้ทากด็ดีใจรีบกลับไปในหมู่บ้านเคาะประตูบ้านชาวบ้านถามว่า ม, มีมีเมล็ดงาไหมมีมีคนตายไหมมีม ไอ้บ้านไหนก็ได้คำตอบอันเดียวกันไอนที่สุด ก, ก็เห็นสัจธรรมความจริงว่าความตายเกิดขึ้นกับทุกคนก็เลยได้สติกลับมายอมรับความจริงหายบ้าหายเศร้าโศกเสียใจเอาลูกไปเผาไปฝังได้ตาพระาราราอาจารย์เลาวแล้วเหมือนเราทำอย่าง เ, าเราทาอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยู่ยนนๆนานๆทีมันจะเกิดขึ้นที่แบบว่าเหมือน เห็นความคิดของตัวเองเห็นใจของตัวเองที่มันกําลังสั่งร่างกายให้อทําน่นทํานี่เช่นหยิดหยิบขวดน้ําหยิบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกสติไหมคะอันนี้ไม่เห็นเนยตอนนี้ไม่เห็นเลยค่ะพูดอย่างเดียวเลยค่ะวันอยากจะพูดค่ะตอนนี้มันพูดได้ยงไงมันต้องเห็นคิดก่อนว่าจะพูอะไรก็ก็วันไปเรื่ออาจารย์สติมองช้าไปหน่อยอ๋อเหรอคะสติไม่ได้มองความคิดเราะสติมองคนที่เราจะพูดด้วยคุยด้วยจะทําด้วย มันก็เลยไม่เนี่มองจุดที่มันเริ่มต้นคือจุดที่ความคิดของเราเราฝึกเรามองแต่ของข้างนอกอยากจะกินอะไรแล้วก็หยิบยกขึ้นมากินเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่าใจอยากจะกินก่อนถึงจะหยิบยกขึ้นมาได้แต่ถ้าเราฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นสติจะดึงให้ใจกลับเข้ามาข้างในให้กลับมาดูข้างในดูตัวเองแเราต่อไปก็จะเห็นความคิดก่อนที่จะคิดจะพูดก่อนที่จะพูดจะทําอะไรก็จะเห็นความคิดปรากฏขึ้นมาก่อน จะอยากจะลุกตอนนี้ถ้ามีสติมันกก่อนแล้วใช่คิดจะลุกแล้วใช่ค่ะ อ, ะอไปฝึกสติไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็เห็นพ<อ> า, า, านานทีก็สแสดงว่าสติยังมีน้อยมากใช่ค่ะมหมหื อ, งอังเลืลลแล้วใช่แค่นี้ก่อนจะเหือจะกันเอามากามาแล้วเหือบันเนนะอ่อะตอนต่อคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ นั่งสมาธิแล้วท้องพุทโธดูพองดูท้องพองยุบสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่สงบการต้องเปลี่ยนอุบายวิธีไปเรื่อยๆถูกต้องหรือไม่ครับเพื่อแล้วแล้วแต่อาการว่าต้องแก้อย่างไรเหมือนยาน่ยถ้าปวดท้องก็ต้องเอายาแก้ปวดท้องมากินถ้าปวดหัวก็ต้องเอายาแก้ปวดหัวมันยาคนละชนิดกันแล้เราต้องดูว่าอาการของเราเป็นอย่างไรถ้ามันฟุ้งซ่านมันคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ยอมหยุดคิดแล้วก็เอาการสวดมนต์มาสวด มาหยู่ความคิดไปก่อนสวดให้อยู่เวลาสวดก็ต้องมีสติให้อยู่กับการสวดมันจะสวดไปแล้ ว, วคิดถึงเรื่องที่เรายัางติดพันอยู่ไปต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวนจนกว่าอาการที่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หายไปแล้วเราจะเปลี่ยนดูลมต่อก็ได้พูดโทรต่อก็ได้คําถามจากทาง facebook ค่ะเราจะมีอารมณ์เกิดขึ้นสองทางคือพอใจก็เกิดความปิติ เมื่อเจอไม่พอใจคือความโกรธเกิดขึ้นเราต้องเบรกก่อนที่จะเกิดความพอใจและไม่พอใจปฏิบัติถูกต้องไหมคะใช่เราต้องเฉยเฉยเพราะการพอใจก็จะทําให้เราทุกเวลาที่มันสิ่งที่เราพอใจมันหายไปหรือ ม, มันหมดไปเราก็จะเสียใจพอเราเจอสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็เราก็เดือดร้อนเราทุกข์แต่ถ้าเราทําใจให้เป็นโอเบคาได้เฉยเฉยไ ด, ได้เราก็จะไม่ทุกข์เขาด่าเราก็เฉยเขาชมเราก็เฉย คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะการนั่งสมาธิต้องนั่งกี่นาทีจึงได้เกิดผลหรือต้องปฏิบัติทุกวันครับก็นั่งจกนกว่าจะเกิดผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคน5้านาทีบางคนห้าชั่วโมงอยู่ที่สติของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่นั่งนั่งเพื่อให้เกิดผลเหมือนกินข้าวที่กินก็ต้องกินให้มันอิ่มใช่ไหมบางคนกินจานเดียวอิ่มบางคนสามจานยังไม่อิ่มต้องกินต่อไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเมื่อร่างกายหมดลมหายใจจิตจะไม่รับรู้อาการของร่างกายเลยหรือไม่ครับและจิตจะไปพบภูมิใหม่ทันทีเลยหรือไม่ครับก็ไปตามอำนาจของบุญหรือบาปที่อยู่ในใจถ้าบาปมากกว่าก็เดินไปอบายถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ตายเป็นวิปัสนาหรือสมถะคะอะไรการตายเป็นวิปัสนาหรือสมถะคะเป็นวิปัสนาเป็นของไม่เที่ยงถ้าคิดอะไรที่เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับนี่เรียกว่าวิปัสนาค่ะข้อสองค่ะกินเพราะเสียดายเป็นทำไหมคะอะไรนะกินเพราะเสียดายกินเพระเสียดายของเป็นกินเหล็กอยากกินเหล็กเสียดายของเลยอ้างว่าเสียดาย มันยิงอยากกินมากกว่าถ้าเป็นของไม่อยากจะให้มันมีเท่าไหร่ก็ไม่อย ก, ก็ไม่กินนะความถูกใจเป็นธรรมหรือไม่คะก็เป็นมันจะเป็นกิเลสก็ได้เป็นธรรมก็ได้แล้วแต่เราว่าเราไปยึดติดมันหรือไม่ถูกใจแต่เราเฉยๆเรารู้ว่าเราถูกใจแต่เราไม่มีปฏิกิริยาก็เป็นธรรมถ้าถูกใจแล้วไปดีใจมันก็เป็นกิเลส ลิเล็กซิเป็นทรรมใหม่คะก็เป็นสมาธิไงการนั่งสมาธิก็เพื่อล<า>ิเล็กซิ่งเนี่ยหดได้ยังไหมคะสุดท้ายส่งท้ายส่งท้า ย, ายอยากทราบว่าถ้าคนชราค่ะที่ที่มีอายุมากๆค่ะบางทีเขาเป็นอัลไซเมอร์อยากทราบว่าถ้าเขาตายไปอ่ะค่ะคือเขาจําอะไรไม่ได้เลยเขาจิตสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีโอกาส จะไปทางไหนคะกรรมเขาจําได้กฎแห่งกรรมเขาจำไว้อยู่บัญชีกรรมอยู่ในใจเนั่นเขาจะจําได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวจิตเองตัวกฎแห่งกรรมมันจะจําไว้ว่าบาปมากกับบุญแล้วบุญมากกว่าบาปมันมีบัญชีในใจเราเนี่ยบัญชีบุ ญ, บ, ญบัญชีบาปอันนี้ไม่ได้ไปกับอาสาเนื้อมันยังอยู่ใน ใ, นใจเรามันจะเป็นผู้พาเราเราไปตอนที่เราตายไปถ้าบัญชี<บ>ญมันบวกบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ ทำบัญชีเป็นล้บาปบ้ า, าขงขบวนก็ไปอาบายอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจำท้าอาจารย์คะแล้วกฎแห่งกรรมอะค่ะมีสอนเฉพาะในศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอื่นมีไหมคะมไม่รู้ศาสนาไหนก็สอนแล้วเป่าแต่มันเป็นสากลมันเกิดขึ้นกับทุกศาสนาเกิดขึ้นกับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแบบยังไงคะท่านถึงได้ทราบว่าสิ่งนี้นะคือกฎแห่งกรรมเธออย่าทําแบบนี้นะแบบนี้นะปัญญาไงอ๋อปัญญา ไปเห็ uhm นชาชันเนี่ยไปตีหว okay, oh ัวเขาเลยมันเป็นมุนหรือเป็นบามาะอ๋อเจ้าค่ะเป็นบ่าปค่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะสําหรับวันนี้เวลาก็พอสมควรขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด